ขอนอบน้อมพรัธนาไทยขอโอกาสหลองพรอกรมประจันย์ฉัดชัยประจันทร์วัฒนชัยแล้วก็พเพื่อนทางทุกท่านเจไน้ทำไม่ขีระยะเจตน า, ท, ท, าทุกคนนั่งกันตามสบายเนาะวันนี้ก็มีมีไม่ชีท่านหนึ่งโทรมามารายงานหรือว่าโทรมาเล่าให้ฟังว่า ได้มีโอกาดไปไปเดินป่านะกับพระกับแม่ชีเป็นการเดินป่าแบบภาวนานะอยู่ในป่าใหญนะ่มีทั้งสัตว์ที่ใหญ่สัตว์ป่าที่ใหญ่สัตว์ป่าที่ดูร้ายนะแล้วก็หลายๆอย่างนะนอนกลางป่าบ้างนอนในถ้าบ้างนะก็มีอยู่ประสบการณ์หนึ่งที่แม่ชีเขาก็ว่า มันได้ประโยชน์มากเพราะว่าอย่างหนึ่งนะสัตว์ใหญ่นี่คนส่วนใหญ่ก็กลัวนะกลัวเสียงชา้างกลัวเสือกลัวหมีกลัวอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความกลัวที่ก็กยากนะที่จะผ่านได้ถ้าคนไม่มีประสบการณ์ในการเข้าป่าหรือว่าไม่สามารถเรียกว่าควบคุมความกลัวในตัวเองได้แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่บางทีมันเป็นสัตว์เล็กๆนะ หลายหลายคนก็จะกลัวโดวยเฉพาะผู้หญิงคือกลัวทากเวลาเข้าป่าถ้าป่าไหนมีทากเนี่ยจะไม่ไม่อยากเข้าหรือเจอแค่ตัวตัวสองตัวนี้ก็กระโดดหรือว่าวิ่งหนีละทั้ทั้งที่ทากมันก็ไม่สามารถมันอาจจะไม่สามารถกัดเราตายเหมือนกับเสือไม่เหยียบเราตายเหมือนกับช้างเนาะแต่บางทีเราก็กลัวกันมากเลยนะอืมกลัวทากะ ก็มีวันหนึ่งแม่คีเก็เล่าให้ฟังว่าก็รู้ว่าที่ตรงเนี้ยที่จะไปเนี้ยมันมีทากมากจิตก็ปรุงแต่งความกลัวท่านะกลัวกลัวท่าจะเรียกว่าแทกจะไม่อยากไปนะแต่ด้วยหมู่คณะที่เขาต้องไปก็ต้องไปตามเมื่อไปถึงดงทาาจริงๆรนี่ท่ามันก็เยอะอยจริงๆริงนะหลายร้อยตัวน ะ, นะก็กระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บนะเข้ามา กาทุกคนน่ะเดะไม่เลือกผ้าเหลืองหรือผ้าขาวอ่าก็เริ่มไต่ขึ้นขาพรเริ่มไตอะไรจิตที่มันกลัวมันก็แสดงความกลัวขึ้นมาอ่าแต่ก่อนเคยวิ่งหนีแต่ก่อนเคยกรีดร้องแต่คราวนี้เขาหันมาดูดูจิตดูใจดูความกลัวของตัวเองพอกลับมาดูจิตดูใจของตัวเองนะมันเห็นมันเห็นความกลัวเกิดขึ้นนะ ความกลัวเมื่อถูกสติมองเห็นความกลัวหายไปเหลือแค่ความว่างเหลือแค่ความนิ่งของจิตนะเมื่อจิตมันว่างเมื่อจิตมันนิ่งนะมือก็ไปหยิบท่าออกมาได้ <c oughs> ก็สามารถแต่ก่อนนี่เรื่องการจับท่านี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้แต่คราวนี้สามารถเรียกว่าหยิบท่าออกจากขาตัวเองได้หลายสิบตัวแล้วจะไปช่วยเพื่อน หนะยิบออกเลยนะออืม่ายังเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่ให้เห็นว่าอืที่จริงทา่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่จิตตัวเองนี่แหละที่ไปปรุงแต่งนะปรุงแต่งความกลัวบ้างปรุงแต่งความกังวล น, นะให้มันเกิดขึ้นนะก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าจิตนะตั้งแต่ก่อนเข้าไปนี่มันปรุงแต่งมันก็เกิดเป็นความทุกข์แล้วหรือเมื่อเจอจริงๆ ถ้าจิตไม่มีสติไม่รู้ทันเนาะก็โดนความกลัวครอบงาก็เรียกว่าขาดสติอาจจะวิ่งหนีหรือว่ากีดตกรองก็ได้แต่พอมีสติรู้ตัวเกิดขึ้นขับมาดูจิตดูใจตัวเองเห็นว่าความกลัวเกิดขึ้นที่จิตนะแต่มันไม่ใช่จิตเมื่อมีสติเห็นความกลัวก็หายไปก็เหลือแต่จิตปกติจิตที่เป็นธรรมดาจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นธรรมดานดั่นแหละ ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้นะอย่างถูกต้องนะท่าเขาก็เป็นท่าเราก็เป็นทาทาท่ากับท่าอยู่ด้วยกันเนาะถ้าไม่มีจิตที่มุ่งร้ายต่อกันมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะก<ม>็ดูแลร่างกายไปก็หยิบเขาออกไปนะก็ธรรมดาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นอ้อเมื่อมีสติมีความรู้ตัวมันจะเห็นว่าอาการที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจพอเรามีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เนาะ ความกลัวก็ครอบงาไม่ได้หรือบางทีครูบาอาจารย์ไหยท่านก็บอกว่ากลัวอะไรให้ไปที่นั่ น, นะกลัวผีให้ลองไปหาอ่ะไปดูสิในป่าช้ามีผีไหมไปดูความกลัวที่เกิดขึ้ น, นไม่ใช่ไปหาผีนะไปให้เห็นว่าจิตเราเนี่ยแหละฟุงแต่งผีขึ้นมาเองอ่ให้เห็นตรงนี้มีมีโยมคนนึ่งนะเขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเคียนนี่แหละนะ แต่เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ตเล็กๆนะหลวงพ่อบอกว่าตอนหลวงพ่อสอนเด็กที่ที่ศูนเด็กเ็กบ้านท่าไฟหวานหลวงพ่อบางทีมักจะบอกให้เด็กเล็กๆเนี่ยอไปหาผีไม่ให้หลวงพ่อหน่อยถ้าหาผีได้หลวงพ่อจะให้รางวัลตั้งเป็นรางวัลให้เงินนั่นบ้างเด็กๆก็ได้ความสนุกก็ไล่ล่าหาผีนะอยู่ในวัดผูขอทองนะก็หาไม่เจอสักที นะแล้วก็เด็กก็บอกว่าหลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นอุบายนะพอเราไปหาจริงๆแล้วมันไม่มีผีมันไม่เห็นผีทําให้เด็กที่โตขึ้นมาจากส่วนเด็กๆหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ไม่กลัวผีคนที่เต้ยมีฟังห น, นึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยัวเขาก็ไม่กลัวผีเพราะว่าประสบการณ์การสอนที่หลวงพ่อนะเอาอาศัยอุบายให้ลองไปหาดูว่าผีจริงๆที่เป็นตัวตนมันมีไหม อาจจะมีหรือไม่มี น, นั่นก็ก็ก็ได้เนาะแต่จริงสิ่งที่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าที่จริงไอ้ความกลัวจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเองเนี่แหละจิตที่ปรุงแต่งความกลัวเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์เพวกเราเคยไหมนะจิตที่มาปรุงแต่งความกลัวบ้างความกังวลบ้างนะมันนํามาซึ่งความทุกข์น ะ, ะบางทีเราจะมาก่อนมาปฏิบัติธรรมบางทีแล้วก็กลัว จะมาอยู่วัดกลัวที่ดับที่นอนกลัวสถานที่ต่างๆกลัวอาหารการกินกลัวว่าปฏิบัติจะไหวหรือเปล่าอะนะ้ยมันก็เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกังวลปรุงแต่งขึ้นในจิตเนาะจิตเราก็เรียกว่าเสียจากความเป็นปกติแต่ที่จริงเนาะพวกเราถ้าถ้าพวกเรามีสติดูตัวอยู่กับปัจจุบันเนาะค่อยๆอ ย, อยู่ค่อยๆดูมันไป ค่อยๆสังเกตมันไปเรื่อยๆสังเกตกายบ้างสังเกตจิตบ้างถ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตนะสิ่งที่ถูกสังเกตเนาะมันก็จะไม่นำมาซึ่งความทุกขนะ์ถ้าเราสังเกตกายเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยสังเกตจิตเขามีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้พวกเนี้ยมันจะทาอะไรไม่ได้นะอันนี้มนตรงกับสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนะ พระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ทุกนะไม่ใช่สอนให้เราหนีจากความทุกข์ะฉะนั้นการสังเกตดูความทุกข์ก็คือการสังเกตดูกายเนี่แหละนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการสังเกตดูจิตของเราเนี่ยแหละนะเพราะทุกข์ว่าโดยย่อแล้วพระเจ้าท่านสรุปว่าทุกโดยย่อก็คือรูปธรรมแล้วก็นามาทำของเราเนี่แหละนะหรือว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ขันก็คือกายคือใจนี่แหละมันเป็นตัวทุกข์พระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้จากความทุกข์นะดังนั้นที่เรามาฝึกสตินะให้มีสติรู้กายนะให้มีสติรู้จิตเนะี่ยก็คือให้มีสติเรียนรู้จากความทุกข์นะเมื่อเรามีสติรู้กายเราก็เห็นว่าเออกายมันก็เป็นธาตุไม่เป็นแค่ส่วนประกอบมันเป็นเพียงแค่อาการที่เคลื่อนที่ใบที่เป็นวัตถุนะ ที่หยุดที่นิ่งที่ปวดที่เมื่อยอาการของรูปมันก็เป็นเช่นนี้เนาะอาการของจิตก็เป็นเช่นเดียวกันนะมันมีอาการที่เรียกเป็นปกติบ้างอาการที่ผิดปกติไปบ้างนะแต่แท้จริงแล้วจิตนะมันเป็นปกติอยู่เช่นนั้นมันมีแต่ความปรุงแต่งมีแต่ความหลงไปเนาะทําให้จิตมันเผลอมันไหลมันคิดขึ้นมาเท่านั้นพอเรามีสติรู้ทันนะความคิด ก็ตกไปนะความกลัวก็หายไปบางคนเห็นความตกใจเกิดขึ้นนะก็จิตกลับมาเป็นปกติก็มีบางคนเห็นความโกรธเกิดขึ้นกับจิตนะจิตที่เคยโกรธมากๆก็หายเป็นปกติเลยก็มีอันนี้คือการฝึกที่สําคัญคือการฝึกให้เรารู้สึกตัวนะการที่เราฝึกให้รู้สึกตัวเนี่ยแหละมันจะทําให้จิตกลับมาเป็นปกตินะ ความรู้สึกตัวเนี่ยเราฝึกได้นะจากการรู้กายก็ได้นะจากการรู้จิตก็ได้มันได้ค่าเท่ากัน่แหละนะก็คือทําให้เรากลับมาเป็นปกติแล้วนะแต่เป็นการกลับมาเป็นปกติอย่างความรู้ไม่ใช่กลับมาเป็นปกติอย่างที่เรียกว่าไม่รู้นะการฝึกแบบเจริญสติหรือการฝึกแบบวิปัสสนาเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้นะ รู้รูปรู้นามนะก็คือรู้อาการของกายรู้อาการของใจนะไม่ใช่เกิดจากการที่สงบหรือว่าปกติเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเข้าไปอยู่ในสมาธินะเข้าไปอยู่ในภวังหรือว่าเข้าไปแช่กับความสงบไว้ก็เกิดเหมือนคล้ายๆที่จริงเปรียบเหมือนคล้ายคนที่นอนหลับก็ดีหรือเปรียบเสมือนคนที่โดนยาสลบก็ดี หรือเปรียบเสมือนคนที่หมดสติก็ดีคกนี้บางทีดูเผลอๆก็คือก็ไม่ทุกข์หรอกนะแต่ก็ไม่รู้ตัวแต่การที่ฝึกสตินะเราฝึกเพื่อให้เกิดความรู้ตัวรู้จักความทุกข์นะความทุกข์เขาแสดงอาการอะไรเกิดขึ้นเราเดียนรู้เขานะทุกข์เกิดขึ้นที่กายก็มีสติรู้กายทุกข์เกิดขึ้นที่จิตก็มีสติรู้จิตนะความทุกข์จะเกิดขึ้นมาที่ไหน ตอนทําหน้าที่ในการเรียนรู้เขานะไม่ใช่หนีเขานะสิ่งที่สําคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมพระองค์ท่านสอนเรื่องของความทุกข์อริยสัจข้อแรกนี่เรียนรู้จากความทุกข์นะความทุกข์ก็คือเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแต่การจะรู้ทุกข์ไม่ใช่การรู้จากการอ่านตําราแต่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เราจะเรียนรู้จับความกลัวผ่านการฟัง หรือผ่านการคิดมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องรู้จักความกลัวที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับจิตของเราเองนะเราเรียนรู้จากความเบื่อนะก็ไม่ใช่เรียนรู้จากตำราแต่บางครั้งเราปฏิบัติไปใช่ไหมมันก็มีความเบื่อเกิดขึ้นถ้าเราสามารถสังเกตดูว่าเอ้ความเบื่อมันเกิดขึ้นมากับจิตแต่มันไม่ใช่จิตนะความเบื่อนะั้นก็จะหายไปบางครั้งเราปฏิบัติไปก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาในใจ ความท้อแท้มันจะเกิดขึ้นเพราะเรานอนเฉยๆนะมันไม่ได้เนาะแต่บางทีเราปฏิบัติแล้วปวดเมื่อยปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจปฏิบัติแล้วก็รู้สึกไม่ก้าวหน้าหรือว่าหมดกําลังใจอันนั้นแหละความท้อเกิดขึ้นมาในจิตเราก็สามารถมีสติรู้ทันอ้อความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเกิดความท้อแท้ขึ้นในใจถ้าเราเห็นนะความท้อก็จะหายไปก็เหลือแต่ความเป็นปกติของจิตเท่านั้นเองอันนี้ คือการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้บางทีเราต้องทําในรูปแบบซ้ําๆซักๆเหมือนเดิมไม่มีอารมณ์อื่นๆเข้ามาให้เป็นอาหารของกิเลสตรงนี้แหละมันดีมาทําแล้วให้เราเห็นสิ่งที่มันเรียกว่าหมักหมมในจิตใจของเราเองนะสิ่งพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมานะมันคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆเราแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยทุกข์ แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยฟุ้งซ่านเพราะว่าอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีการมีงานทำเรามีคนที่ต้องพูดคุยเรามีสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องมากมายจิตของเราออกหรือว่าไหลไปอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะทั้งวันทั้งคืนแต่พอเรามาอยู่กับตัวเองเนี่ยแหละนะเราจะเห็นเลยว่าเราก็อยู่ตัวเองยากมากยากมากนะให้แค่ยกมือตั้งยังวะให้แค่เดินจกงกรมเนี่ย บางทีมันเกิดความท้อมีความเหนื่อยมีความลังเลสงสัยเราก็จะอยู่กับตัวเองไม่ใค่ได้คราวนี้แหละนะมันจะมีความฟุ้สซ่านเกิดขึ้นการฝึกเจริญสตินะเหมือนคล้ายๆเป็นการกวนตะกอนนะตกนะกอนน่ะคล้ายๆน้ําที่มันอยู่ในอ่างอยู่ในบอ่อนะตะกอนมาตกไปนอนที่ก้นนะข้างบนมันดูใสมันดูสะอาดเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดี เราก็รู้สึกว่าเราเรียกว่ามีความสงบอยู่พอสมควรแต่พอฝึกนะไปเรื่อยๆตะกอนเนี่ยมันขุ่นขึ้นมากิเลสมันเกิดขึ้นนะตัณหามันเกิดขึ้นมากมายถามว่าดีไหมจะมาว่าดีนะดีที่อะไรดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นที่เรารู้นะแต่มันจะไม่ดีเลยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดปฏิฆาเขาเกิดความไม่พอใจเขา แล้วก็พยายามจะทําให้มันสงบอย่างเดียวนะการพยายามทําให้มันสงบอย่างเดียวเหมือนคล้ายๆการที่เราปล่อยให้ตะกรันเนี่ยมันนอนก้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่การเราที่เราไม่ชําระตะกรนให้สะอาดไม่ชําระบ่อให้มันสะอาดจริงๆจิตใจของเราก็เหมือนกันนะน่ะมันคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีนะดีที่อะไรดีที่เรารู้ทันว่ามันคิดฟุ้งซ่านมันมีความเบื่อเกิดขึ้นมามันก็ดีนะ ดีที่เรารู้ว่าเราเบื่อนะมันมีความโกรธเกิดขึ้นมาก็ดีนะรู้ว่าจิตมันยังมีความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยมันรู้ที่มันดีที่ตรงนี้ดีที่รู้นะแล้วอะไรที่ก็าตามที่เกิดขึ้นมาจริงๆในชีวิตประจําวันนี่แหละนะเรารู้เข้าไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นได้ว่ายิ่งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆยิ่งจะเห็นกิเลส ข, ของตัวเองมากขึ้นการเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพัฒนาการของการปฏิบัติก็ได้นะนั่น แต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราเป็นนางฟ้าเราเป็นเทวดานะแต่ที่จริงแล้วพอเราฝึกตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเนี่ยมากขึ้ น, นเรื่อยๆนะอ่นะทางๆที่ห ย, บยบาบๆเช่นความโกรธบ้างความกลัวบ้างนะความพยาบาทบ้างพวกนี้ยมันเห็นได้ง่ายนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดความเรียกว่าอึดอัดที่ในใจหรือว่าเกิดการแน่นที่หน้าอก หรือบางทีก็เกิดความร้อนไปทั่วทั้งตัวนะถ้าเรามีสติรู้ทันนะก็จะเห็นว่าอ้ออาการโกรธอาการเกลียดอาการกลัวที่ยิ่งคล้ายๆกันเนาะอ่านะมีความร้อนมีความไม่พอใจมีความอึดอัดเกิดขึ้นทั้งที่กายที่ใจพอเรามีสติเห็นจริงๆนะพวกนี้มันหายไปนะเราสามารถยิ้มมันได้เลยนะอ้อความโกรธ เ, เกิดขึ้นมาครอบงำจิตไม่ได้ เนี่ยจิตมันยิ้มในน้อยขึ้นในใจเลยนะอ่าคล้ายยิ้มเย่อกิเลสที่ไม่สามารถทําอะไรได้นะแต่ก่อนเนี่ยกิเลสก่มามน้ำจิตอยู่เสมอแต่พอเรามีสติรู้ทัน น, ะ, นะสติยิ้มเยาะกิเลสเลยว่าเออทําอะไรไม่ได้แล้วกิเลสหายไปความโกรธหายไปความทุกข์ดับไปเนี่ยสติจะทําหน้าที่ตรงนี่ยทําให้เราเห็นว่าโอ้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตนี่นะมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเนาะ ถ้าเราเห็นมันก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยสติจะทําหน้าที่ตรงนี้เนะาะการที่เราฝึกนะก็จะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นครูสอนธรรมะทั้งนั้นนะไม่ใช่เราจะเลือกแต่เอาสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้แล้วก็วางเช่นกันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็เช่นกันรู้แล้วก็วางไปก็แค่นั้นนะ เพียงอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานาะให้รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ด้วยจิตที่มั่นคงรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่นของจิตนะไม่ไหลไปหลงกับทั้งบวกหรือลบสุขหรือทุกข์นะเห็นสิ่งต่างๆคล้ายๆเหมือนกับเป็นสิ่งอื่นเป็นวัตถุอื่นไม่ใช่กายของเรานะไม่ใช่ใจของเรานะมันเกิดขึ้นกับกายเฉยๆแต่ไม่ใช่กายของเรา มันเกิดขึ้นกับใจเฉยๆแต่ไม่ใช่ใจของเราถ้าเราเห็นแบบนี้นะโอ้มันจะเรียกว่าจิตมันเป็นกลางจิตมันตั้งมั่นจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเราภาวนาไปเพื่อตรงนี้นะเพื่อให้เห็นกิเลสนะเพือ่อเห็นกิเลสต่างๆ ท, ท, ท, ท, ที่มันแสดงตัวตนเกิดขึ้นมานะภาวนาไปเถอะนะกิเลสเกิดขึ้นมาะเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้นะความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แต่ถ้ามันไม่มันไม่เกิดหรือว่าเกิดแล้วมันไม่เด่น เราก็รู้กายของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะรู้กายไปก็ดีเช่นเดียวกันนะเรามีสติรู้กายนะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเห็นกายเดินเห็นกายเดินเห็นกายนั่งเห็นกายนอนเห็นกายยกมือเห็นกายกินข้าวเห็นกายอาบน้ําให้เห็นแบบนี้นะนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนกินไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดินไม่ใช่เราเป็นคนนั่งไม่ใช่เราเป็นคนนอนเห็นกายอยู่ต่างหาก เห็นกายเ้าเคลื่อนไหวไปนะสติเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูจำนวนหากสติไม่เข้าไปอยู่ในกายแต่สติรู้อยู่กับกายนะเมื่อสตินะดูกายก็จะเห็นกายเขาทำงานไปเรื่อยๆไม่มีกายกายนั้นไม่มีเรานะเราไม่ใช่กายนั้นก็ดูแบบนั้นดูไปเรื่อยเมื่อกายเขาทุกข์เมื่อใจเมื่อกายเขาเจ็บเมื่อกายเขาแก่เมื่อกายเขาตาย มันก็ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราตายเนี่ยมันพ้นจากความทุกข์ที่ตรงนี้นะพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตรงเนี้ก็คือการที่เราไม่ไปยึดกายนี้ว่าเป็นเรานะจิตใจก็เช่นเดียวกันเนาะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมากับจิตเราก็เพียงแค่แค่สังเกตเขาไปเพียงแค่ผู้ดูเขาอดูอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจเหมือนกับเราดูดูคนอื่นเขาเป็นนะ หรือว่าเหมือนกับเราดูละครที่เขาแสดงนะเราทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูนะเราไม่ใช่เป็นผู้แสดงนะเขาจะแสดงบทอะไรก็แล้วแต่ก็ดูเขาเล่นละครไปนะหรือหรือบางทีก็เรียกว่าเราก็ไม่ไปหลงไปเป็นผู้กํากับบทไม่ไปลงเป็นผู้วิจารณ์ไม่ไปลงเป็นเรียกว่าคนที่ไปแสดงเองอันนี้แหละคือเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉย สตินี่ทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูนะดูดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายดูอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่เข้าไปยึดในกายหรือกับจิตนี้นะพวกนี้มันอาจจะฟังดูอาจจะฟังดูพวกเราอาจจะเข้าใจลงที่ฟังดูก็อาจจะง่ายเนาะแต่สิ่งที่จะทําให้เกิดความเข้าใจจริงๆนะมันต้องอยู่ที่การปฏิบัตินะอยู่ที่การปฏิบัติที่พูดให้ฟังก็เป็นเพียงแค่เหมือนคล้ายๆ เป็นแผนที่ก็ดีหรือบางทีก็เป็นเหมือนกําลังใจว่ามีคนทําเช่นนี้แล้วก็เกิดผลจริงๆนะไม่ใช่เป็นการที่อ้างมาจากตาราแต่ในภาคของการปฏิบัติภาวนามันก็สามารถเกิดผลได้จริงนะเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยแหละต้องเป็นผู้ที่ต้องกระทําเองพุทธญาติท่านก็บอกไวนะ้เนาะพราะพระุทธองค์เนี่ยเป็นเพียงผู้บอกแต่ท่านทั้งหลายนี่ต้องเป็นผู้ที่กระทําเองนะดังการปฏิบัติธรรมนี่ แม้แต่ว่าคนที่เรารักที่สุดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเนาะเราก็ไม่สามารถปฏิบัติให้กับใครได้นะแม้แต่คนที่รักเราเองเขาก็ไม่สามารถแบ่งให้กับเราได้ดังการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นเรื่องเฉพาะตนของเราเองนะอ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกหัดตนต้องเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาเรียนรู้ตนนะมาเรียนรู้ดูนะ่ะแล้วชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยนะ หลังจากที่เราได้ปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจตนเองนะจะระดับไหนก็แล้วแต่นะเราเรียนรู้จากตนเองมากเท่าไหร่เนาะเราก็สามารถพึ่งตนเองได้มากเท่านั้นนะเราเรียนรู้จากความทุกข์มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ทำอะไรจิตนะได้อ่าไม่ได้ไปเท่านั้นนะคือยิ่งเรารู้มากเนาะรู้จักทุกข์มากรู้จักกิเลสมากเรายิ่งไกลจากความทุกข์ยิ่งไกลจากกิเลสนะ ย, ยิ่งไกลจะความหลงอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนะปฏิบัติไปนี่มันจะเห็นผลในตัวของเราเองเลยนะนะจิตมันจะเริ่มโล่งเริ่มโปรง่งเริ่มเบาสบายนะความทุกข์เกิดขึ้นมาก็อยู่ต่างหากความคิดเกิดขึ้นมาก็อยู่ต่างหากอารมณ์เกิดขึ้นมาก็อยู่ต่างหากนะอยู่แล้วก็อยู่แป๊บเดียวแหละอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ไปนะไม่อยู่นานหรอกนะที่บอก ที่แต่ก่อนที่เคยบอกว่าโกรธข้ามวันข้ามคืนทุกเป็นหลายชั่วโมงเนี่ยต่อไปไม่มีหรอกนะมันเกิดขึ้นมาแปบเดียวก็หายไปนะเหมือนชั่วช้างขดกหูชั่ว ง, งูแลบลินนะมันหายไปแบบนั้นเลยนะยิ่งถ้าเรามีสติมากขึ้นเรื่อยๆนี่จะเห็นอาการของจิตที่มันกระเพื่อมได้เร็วมากมันไม่ช่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทันจะปรุงแต่งเป็นความคิดอะไรแค่กระเพื่อนิดนึงไม่ทันจะรู้ว่ามันเป็นสมมุติอะไรเนาะ จิตมันก็ตัดตรงไปของมันเองเนี่ยมันเป็นผลที่เรียกว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆสติมันจะเป็นอัตโนมัติสติมันจะเป็นธรรมชาตินะมันจะเกิดผลของมันเองเนาะแต่ใหม่ๆก็ต้องเริ่มต้นเนี่แหละจากการที่เราทํานี่แหละนะไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดอะไรแต่ให้ทําอย่างเรียกว่าเป็นแยกออกไปนะกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะสติก็เป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่ง หือว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เห็นความคิดให้เห็นอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งสติเป็นเพียงแค่ส่วนหนึง่งที่เป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ ด, ดูไม่เข้าไปอยู่กับทั้งสองส่วนนั้นะเห็นกายเป็นเพียงธรรมชาติของกายเห็นจิตใจเป็นเพียงแค่ธรรมชาติของจิตใจไม่มีเราเข้าไปดูไปรู้ไปอยู่ไม่มีเราไม่มีเราเข้าไปเป็นด้วยเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ ด, ดูเฉย แต่บางคราวพอมันดงไปเผลอไปเป็นบ้างนะก็กลับมารู้ตัวใหม่นะกลับมาแบบสบายๆนะกลับมาแบบนะ่ะนิ่มๆ น, นวลๆ น, น, นะอย่าไปกระชากอย่าไปดึงอย่าไปเรียกว่ามีปฏิฆะมีความไม่พอใจเนาะบางทีอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยแ้วเราก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเนาะต้องรู้ทันตรงนี้นะความไม่พอใจนี่เป็นตัญหานะเป็นกิเลสเกิดขึ้นมา ใจที่เป็นกลางนี่สำคัญที่สุดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ดีนะใจที่เป็นกลางนี่สำคัญที่สุดนะเพราะบางทีถ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเช่นความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านความโกรธเกิดขึ้นมาถ้าใจเราไม่เป็นกลางล่ะเราจะอยากผลักใส่เขาออกไปเราจะเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยบางทีเราจะเกิดความลำคาญว่าทำไมมันไม่หายสักทีทาไมไม่สงบสักทีทาไมไม่เลิกโกรธสักที นะถ้าเรามีสิ่งต่างๆเนี่ยคิดอยู่ในใจนะมีเยื่อใยของความไม่พอใจขึ้นในใจนะมันจะไม่หายหรอกนะเพราะอะไรเพราะมันโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ไปไม่ชอบไอ้ความโกรธตัวเนี้ยก็เป็นการเติมฟืนเติมไฟเข้าไปนะเหมือนกับกองไฟเพราะเราเติมฟืนเข้าไปนะไฟมันก็ไม่มอดไฟก็ไม่ดับความโกรธก็ไม่มอดก็ไม่ดับนะแต่จริงนะ่ะ ถ้าเราดูด้วยใจเป็นกลางนะความโกรธก็จะตกไปต่อหน้าต่อตาหรือแม้แต่อารมณ์ที่เป็นปิติก็ดีเป็นความสุขก็ดีอารมณ์ที่เป็นบวกก็ดีนะเราก็ต้องดูด้วยใจเป็นกลางดูด้วยใจตั้งมั่นเหมือนกันนะเพราะถ้าเราไม่ดูทันอนะ่ะเราก็จะไปเป็นผู้ที่อินกับความสุขเราก็กลายเป็นผู้ที่หลงในปิตินะหลงในความสบายก็ไม่ใช่เหมือนกันนะก็เกิดขึ้นมาเออก็ดีนะแต่ก็ไม่ติดเขา ก็รู้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นรู้ว่ากายมันเบารู้ว่าใจมันสบายรู้ว่าใจมีปิตินะก็รู้เฉยเฉยรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็วางไปกลับมารู้ตัวใหม่นะเพราะจริงนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จริงคือปัจจุบันตรงนี้เนอะรู้ไปเรื่อยรู้เล่นเล่นรู้สบายสบายรู้ซื่อนะ อะไรจะเกิดขึ้นมาก็แค่รู้ซื่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นภาษาที่หลวงพ่อเทียนท่านสรุปให้พวกเราได้สู่ของภาคการปฏิบัตินะรู้ซื่อรู้ไปเรื่อยๆรู้เรื่เน้นไปนะไม่ยากนะไม่ยากหลักนะแค่ทําไปเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้นก็มีสิ่งที่คล้ายๆมันมีมากหน่อยนะก็ค่อ ย, อยๆศึกษาไปคล้ายๆเหมือนกับกายใจของเราเนี่ยเหมือนกับตำราลเล่มใหญ่นะ วันนี้เรามาเริ่มอ่านนะในบทต้นๆในหน้าแรกๆเนาะนะนะจะมีอีกหลายๆ ห, หน้าที่เราต้องอ่านต้องศึกษาไปเรื่อ ย, อยแต่จริงเราก็ไม่สามารถไปข้ามขั้นไปอ่านหน้าสุดท้ายได้หรอกนะค่อยๆเริ่มต้นจากการเรียนรู้กายรู้ใจตอนนี้ไปเรื่อยนะมันจะถึงที่สุดมันจะจบเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของมันแต่ที่จริงนะถ้าเรามีสติรู้ทันกายรู้ทันใจด้วยใจที่เป็นการด้วยใจที่ตั้งมั่นนะ ตอนนั้นแหละมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะตอนนั้นมันก็สงบแล้วตอนนั้นมันก็ถูกแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้นะไม่เหลือวิสัยนะแค่เรารู้สึกตัวนี่แหละถือว่าถูกทางแล้วที่ตลวงพ่อคงเกียนท่านบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเป็นทั้งเบื้องต้นก็ดีเป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นที่สุดของการปฏิบัติธรรมน ะ, นะเราอย่าอย่าคิดว่า สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ไกลเนาะสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกแล้วถ้าทำแล้วไม่ทุกเนี่ยมันถูกแล้วถ้าทำแล้วไม่ยึดเนี่ยมันถูกแล้วถ้าทำแล้วจิตไม่เป็นปกติเนี่ยถูกแล้วนะนะแต่ถ้าทำแล้วยังย t, ึดติดทำแล้วยังทุกอยู่ทำแล้วยังใจไม่เป็นกลางยังมีชอบมีชังอยู่เนาะก็ต้องปล่อยต้องเรียกว่าต้องกลับมาดูตัวใหม่นะ กลับมารู้เรื่อยๆกลับมารู้เรื่นๆ น, นเนี่คือสิ่งที่เราเราปฏิบัติกันเนาะก็คิดว่าก็คงพอสมควรเกินเวลานะกลับพระกัน